แนะนำบทอัลยุมูฮะบทนี้เป็นบทมดานียามีสิอ็ดองการบทนี้ได้กล่าวถึงการส่งสาศาสนทูตคนสุดท้ายมาคือมุฮัมมัดบุตรอับดุลอลอฮ์ซอละละัลลอฮุอะเลีห์วะสัลลัมแล้วว่าท่านเป็นความเมตตาที่ถูกประทานลงมาให้มนุษยชาติอลัลลอฮ์ทรงปลดเปลื้องชาวอาหรับให้พ้นจากความมืดแห่งการตั้งภาร์กีและการหลงทางทรงให้เกียรติแก่มนุษยชาติเพราะท่านศารของท่าน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 สิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินต่งางาแท้สองสะดุดีแดอาลอผู้ทรงอภิสิทธิ์ผู้ทรงบริสุทธิ์ผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณ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 อย่างชัดแจ้งก็ตามละกลุ่มชนอื่นๆในหมู่พวกเขาที่จะติดตามมาภายหลังจากพวกเขาและพระองค์เป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณ و ا ل ل ه ذ ُ الفَضللظم ا ع ي นั่นคือความโปรดบานของอล له ที่ทรงประทานมันแก่ผู้ที่โรงทรงประสงค์และอัล له อนั้นเป็นผู้มีบุญคุณอันใญลวม مثَل الذين حُِلُ التورَثَُّ لَ يحمِلُهك الت ا مَثَلِحِمار يحْمِلُ سفار بِسَمَثَل الْقوْمِ ا ل ذ ي ن َ ك ذ ب ُ ب ِ ي ا ت جِل ลลอุปมาบรรดาผู้ที่ได้รับคำมภี์ยตรัสและพวกเขาไม่ได้ปฏิบัติตามที่พวกเขาได้รับมอบดังอุปมลาลาที่แบกหนังสือจำนวนหนึ่งบนหลังของมันอุปมากลุ่มชนที่ปฏิเสธองค์การต่างๆของอลัลลอฮ์มันช่างชั่วช้า จ, จริงๆและอลัลลอฮ์นั้นจะไม่ทางนำแก่กลุ่มชนที่อาจนำ จงกล่าวเถิดมูัมหมัดว่าโอ้ชาวยืวทั้งหลายหากพวกเจ้าอ้างว่าพวกเจ้าเป็นมิรของอัลลอะอื่นจากมนุษย์ทั้งหลายแล้วใส่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 แล้วเราทรงรู้ดีถึงพวกอาธรรมเหล่านั้นจงกล่าวเถิดมูัมหมัดว่าแท้จริงความตายที่พวกเจ้านี้ไปจากมันนั้นมันจะมาพบกับพวกเจ้า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 เมื่อการละหมาได้สิ้นสุดลงแล้วก็จงแยกย้ายกันไปบนพื้นแผ่นดินและจงสแสวงหาความโปรดปานของอัลเลาและจงนํารึกถึงอัลเลาให้มากๆเพื่อพวกเจ้าจะได้รับชัยชนะว่าอีดะรเอาติจาระอาอละหวานินฟัดดูอิลัยฮาวะตารกูกกออิมากุลมายะดัลลอฮิค็อยรุมมินัลละฮววะมินัตติจาระ